ทางชีวิตของเราก็ต้องเดินลงไปทำลงไปเดินทางสายนี้ก็เป็นสิ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญาถึงจุดหมายปลายทางคือสิ้สมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกำจัดชิเลต่างหยาบจงางกลางอย่างละเอียดอยู่ในชีวิตของเรานี้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 สมาธิไปถึงสติไปถึงสมาธิไม่มีอะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่สติเน้วเหลืออยู่ตอนถึงจุดหมายปลายทางที่นั่นเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานถึงสติสมาธิ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 ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราลู้สึกตัวเหมือนเจอความหลงลู้สึกตัวความหลงมปเป็นไงความลู่สึกตัวเป็นไงไม่มีคำถามก็ผ่านไปผลฉงผ่านไปแต่ว่าการดวนสายดวนที่สุดคือสติโดยเพราะกรรมฐานเป็นสายดวนวะสมหมาทิตถิ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 แต่สามสิบปีไปเนี่ยแน่นอนหระี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีก็ยังเก่งเอาช่นนี่เรยนการศึกษาชีวิตของเราถ้าจะสร้างอะไรก็สำเร็จสร้างมากผลก็สำเร็จพระอาหารทั้งหลายอยู่ในอายุปูนนี้เพาะดังแต่ถ้าปูนนี้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 สามปบางทีบอกให้ยกมูอสร้างจังวะทําไม่เป็นเลยยกมือไปแป๊บๆประเดี๋ยวก็กลัวใจกระต้ามากพูดเรื่องอะไรต่างๆไปเอาไม่ได้มันเคยชินพูดดังลูกหลานเรื่องการก่อสร้างเรื่องการทําบุญทำบูณ์มากสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระโพธิลูกใหญ่ที่สุด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 ให้ไปที่ระล้านละล้านไม่เสียจทักทีสิบกว่าล้านแต่วมาเสดบ่นอยู่เป็นการบ่นให้เราฟังเราไปสอนแทนทีท่จะเชื่อเราก็เลยไม่รู้เรื่องนี้เลยมืดไปเลยบวดไปเลยชอบวมามีอาสมตั้งแต่ที่แรกก็ลําบากแต่ถ้ามีอาสม โปรโมาจารีคลหัตอาสมของชีวิตแต่ว่ามีสี่อาสมโปรโมาจารีหนึ่งปีถึงยี่สิบปีครลหัสองสิบปีถึงสี่ิปีวันณปะลัด4ปีถึงหกสิบปีสัญญาสิเจดสิปีถึงแปดสิบเก้าสิบปีน่กลหัส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 การกู่แข็งเข้านี่พ่อเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยไปกว่าอลไรช่วงอายุสี่สิบห้าสิบปีนี่มันก็เข้มแข็งมากคิดว่างูจะไม่กัดเสือก็จะไม่กัดช่างก็จะไม่ทำลายอะไรก็จะไม่ทำลายมันเข้มแข็งขนาดนั้นเอจาก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 มันง่วงมันถึงเวลานอนแล้วเพื่อนเงียยหมดตะเกียงเราหมดแล้วว่าคุมกนอนบนทางเดินจงกรมก็มหลับนะเหมือนบาสตัวหนึง่งไม่ระหวังอะไรไม่มีการระวังอะไรเลยพุทธยานน่ณทางเหมือนกับสุกโตทางไม่มีผลนเดินขึ้นเขามาพอเดินออกจากแจ้งข้อมา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 ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรงูก็จะมากัดเราเสือก็มีนะแต่อ ม, มีก็มีเฮ่มันสู้เสือทุกท่าโจงนี่นะทั้งอะไรก็ทำเถอะพวกเราสามที่ทีจีปีนี่ก็ลังดีอย่าไปห่วงอะไรอะไรอววรเรื่องหนต้องสู้สักหน่อยอาอย่างพระเจ้าอ๋อย่างพระสาวก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 ก็ดีวันนั่นก็ไปออกไปเทศร อ, องบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วมันเข้าไม่ถึงบ้านเตือนไปแต่มาหนั่นเอก็ขอเยอะไปถึงด่านตำรวจก็ฉายไฟ ใ, ใส่จีวรพวงเขาจะไม่เห็นว่าเราคือใครฉายไฟกลางคืนคฉายไฟสองให้เขาเห็นจีวร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 กับมาที่ไหนมันร่มกับมาทาก็เดแหบบลกไปลเลยก็ยิ้มไม่สะลดใจอนะถ้าเรานอนอยู่ก็ทับพอดีไม่ไม่เคยกลัวนะสี่สิบห้าสี่ปีนะ่ะสู้เสือทุกท่าไปโดยทรทก็เอาเถอะพวกเราอย่ารอรอดีๆราร อ, อไม่ตายแน่นอนไม่ตายนั่งหขาขงขาดโตตั้งเอวขางขาดโนะตเนาะไปกลัวอะไร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 มีสัมเจ้มีสติเนี่ยพระเจ้าสอนอยงนี้แล้วกขามาความพอใจออกมาเนี่ความไม่พอใจออกมานี่ได้ถอนความพอใจออกมาเนี่ได้ถอนความไม่พอใจออกมาตัวนี้นี่จริงจริยว่าปฏิบัติก็เอาความพอใจเอาความไม่พอใจอยู่ไม่ใช่นักปฏิบัติเลยยังเป็นอนุบาล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 ไม่ใช่หลับตาหลับไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่มาทิที่คำจัดกิเลสมันหลงรู้มันรู้รู้หันโศกรู้มันทุกรู้ถ้าหลงเป็นหลงไม่ใช่สมาสมาธิไม่ถึงมรรคปฏนเดี๋ม่าถ้าหลงรู้รู้ก็รู้อะไรก็รู้อะไรก็รู้ตรงนี้แน่นอนปฏิบัติธรรม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 เป็นผู้เครียดในความหลงเป็นพวกเครียดในความง่วงไม่ดีเลยความง่วให้มันเป็นเรื่องดีไม่ได้เลยเออดีหัวลโลมันเอาง่วงดีแล้วจะได้ไม่ง่วงจะได้ชั่วมันเห็นงูจึงพ้น จ, นจับงูอันโยคอใส่ถ้าไม่เห็นก็ไปชนกันมันก็กัดเอาเห็นงูจึงพ่นจากงูเห็นหลงพ้นจากหลงเห็นลูกพ้นจากลูกเห็น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 หลงที่กายแย่ๆสักว่ากายก็จถอะสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมสักว่าไปเลสักว่ามันคยออะรคือลู่นะลู่นะลู่นะสักแต่ว่าทะลุลูล่หรือมันไม่ใช่เป็นการพูดเป็นการกระทาของเราจะให้น่นชาเกินไปส่วนด่วนช่องหน้อย ฟรีเวจะมีไฟเขียวไฟแดงอยาหาเวลาไม่ต้องหาเวลายินดีมากๆผู้ใดปลาลูกความเพียนต้องทำให้สนุกสนานไม่ใช่ควาเครียดไม่ใช่อยากลูก้ททำเฉยๆรู้ซื่อซื่อตัวซื่อซื่อู้ซื่ซ่อ อะไรเออนี่ดีอันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่าไปสนใจรู้ซื่อชื่อไปก่อนรู้ซื่อชื่อไปก่อนให้มันซื่อชื่ อ, อไปก่อนอย่าให้มีค่าไย่ให้ความหลงมีค่าอย่าให้ความรู้มีค่าอย่าให้ความสุขมีค่าอย่าให้ควาคมทุกขามีค่าอาศัยกรรมฐ า, านเป็นที่ตั้งการกระทำเป็นที่ตั้งตั้งไว้ตั้งไวตั้งไว้ตั้งไว้